พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนฟังบ่อยๆเรีว่าเอ้วันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรผมว่าผพูดอยู่เรื่องเดียว <c oughs> เรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็อยากใจทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแก้ทุกขโดยเฉพาะทุกทางใจทุกทางกายเนี่ยอันนี้จริงแล้ว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 อย่าลืมรู้มันหลงไปมันเผลอไปก็รู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกกันแล้วกันรู้เท่าที่เรารู้ได้การปฏิบัติทะลรูงี้เรื่อยเื่เนี่ยรู้เฉยเฉเนี่ยต่อไปมันจะเข้าถึงฐานแท้ของจิตคือรู้เฉยเฉยเป็นปกติร่างกายทุกคนย้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ละครั้งอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่ากระพริบตาฟรีๆให้เติมความรู้สึกเราไป ด, ด้วยเราจะได้ไม่ขาดทุน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 ขยันทํารู้สึกตัวเมื่อไหร่เลกขึ้นได้ก็จะรู้สึกทันทีเลยเป็นไปเองแต่คนที่ทําไม่ถูกต้องนี่มจะเกลียดจะสงสัยจะคิดจะขี้เกียจจะใช้อาหารเรื่องจะไม่ปฏิบัติมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยกิเลสซึ่งเหล่านี้ยนะมันรู้ได้จะพาะตอนอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีรูปแบบนะส่วนที่คนที่มีรูปแบบนี่ก็ถือว่าดีรูปแบบนี่จำเป็นนะ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 รูปแบบของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการยกมือ14จังหวะก็ไว้สังเกตสังเกตรู้ไม่ได้เข้าไปอยู่สังเกตรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปแบบมีประโยชน์ทำใเกิดการปฏิบัติได้ต่อเนื่องรูปแบบทำให้เกิดการต่อเนื่องที่สำคัญ ก, ก็คือถ้าขาดรูปแบบเนี่ยจิตมันก็เฉยเฉยไปตามใจกิเลสบางทีญาติธรรมบางท่านมาคุย บอกเขาเดินจงกรมอยู่ที่บ้านเดินอยู่ที่หน้าห้องน้ําขณะเดินจงกรมอยู่กะตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงโดยจงกรมเสร็จก็จะนอนหนึ่งชั่วโมงพอเิ่นโดนได้สักเที่ยวเดียวนี่จิตเริ่มเฉยใจแล้วได้ยินเสียงน้ําหยดแมแม่ในห้องน้าเดินออกจากลานจงกรมไปปิดน้ําแล้วเข้ามาเดินใหม่นึกขึ้นได้อ้าวนี่มันหลงไปปิดน้าแล้วมาลุยตัวทีก็มาเดินจงกรมต่อรอบที่สองสังเกตไหม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 มันเข้ามันลึกเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องออกไปหน่อยจะเสมอการอ้าพลิกตัวไปดึงอีกแล้วก็รีบมาปฏิบัติต่อกลัวจะไม่ได้ปฏิบัติดึงมาขั้นที่สองั้นสามดูเอสสามบาลนี่บานกลางมันตรงไอ้บานนู้นมันไม่เท่ากันมันวุ่นวายู่กับหน้าต่างต้องนานจึงมรู้ตัวว่าอ๋อนี่เราเผลอเพราะโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆพอทําอะไรซ้ําๆนี่มันจะเบื่อละหน้าทางเลิกหาต่างออกนะสังเกตไหม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 ถ้าคนที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบเนี่ยเห็นไหมบางทีเราหลงมาตั้งนานถ้ายังไม่ชํานาญก็ลองอาศัยรูปแบบไปก่อนแล้วต่อไปแล้วค่อยวางมันรูปแบบก็ติดมันไม่ได้ก็ค่อยวางแล้วลองทําดูโดยที่ไม่ต้องใช้รูปแบบเพราะฉะนั้นช่วยได้เนี่ยหลายคนมาจิตใจพฟุ้งซ่างก็ลองทําในรูปแบบดูหลายคนพอคิดว่าสงสัยว่ากลัวเราจะไม่ไปฏิบัติก็ลองทําในรูปแบบดูบางทีมันเกิดประโยชน์แม้แต่ความง่วงนะสังเกตดูดีนะความง่วงเนี่ย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 ถ้าจับเราล่องโอยเนี่ยหมอนวดจับเยเลยถ้าเราถูกเส้นกดใหญ่เลยถ้าเราทำเฉยๆรับทนไ ม, ม่ได้ทำยิ้มๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยเทคนิคในการไม่ถูกนวดนานถ้ายิ่งกดล่องโอยนี่ยมากูกี้เลยกดใหญ่เลยถ้าเราทำเฉยๆยิ้มๆมันเจ็บดีเนาะเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยใจแล้วก็เหมือนกันเมื่อเจอทุกขเวทนายิ้มๆอยู่ข้างในบางสิมันทําให้ทุกขเวทนาลดลงไปได้ใจก็ดีไหมมันเกิดปัญญา ทุกเนี่ยสอนธรรมได้ดีมากเลยทุกเนี่ยเป็นครูสอนธรรมเลยเพราะอย่างน้อยเวลาเราเกิดความทุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะดิน้นมันจะกระตือหรือล้นอย่างงี้ไม่มีทางง่วงคนที่ขี้ง่วงเนี่ยลองนั่งนานๆเนี่ยนั่งไปปวดน า, นานเดี๋ยมันง่วงไม่ได้ละมันกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงได้นะทุกขเวทนาเนี่ยกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงและทำให้เกิดความอดทนมีสติ